ฝ่ายพระโพธิสัตว์ไปสู่ประตูอุโมงค์เรื่องดาบที่ตนเน็บไว้ออกคุ้ยทายที่ประตูอุโมงค์ฝังดาบนั้นไว้ในสายนั้นก็แลครั้นฝังดาบแล้วก็เข้าไปสู่อุโมงค์และออกจากอุโมงค์เข้าสู่เมืองที่สร้างไว้ขึ้นปราสาทอาบน้ำหอมแล้วบริโภคโภชนะมีรถเลิศต่างๆแล้วไปสู่ที่นอนอันประเสริฐ เมื่อนึกว่ามาโนรถของเราถึงที่สุดแล้วก็หลับไปฝ่ายพระเจ้าจุลณีตรวจเสนาคณิกรแล้วเสด็จถึงนคร น, นั้นโดยการล่วงไปแห่งราตรีนั้นประศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นตรัสว่าพระเจ้าจุลณีผู้มีกำลังมากรักษาการตลอดราตรีทั้งสิ้น ครั้นอรุณขึ้นก็เสด็จถึงอุปการณะนครพระเจ้าอุตรปัญจาละพระนามว่าจุลนีผู้มีกำลังมากเสด็จทรงช้างที่นั่งตัวประเสริฐมีกำลังต่อเมื่อหกสิบปีจึงเสื่อมกำลังได้ตรัสการทับกะเสนาของพระองค์พระองค์ทรงสวมเกราะแก้มณีพระหัตจับสน ได้ตรัสกับเหล่าทวยหารผู้รับใช้ซึ่งชำนาญในศิลป์เป็นอันมากประชุมกันอยู่บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าทั้งสิ้นกะสินางได้แก่ตลอดราตรีทั้งสิ้นไม่เหลือคําว่าขึ้นอุเทนตังได้แก่ขึ้นไปอยู่คําว่าอุปการะอุปการังความว่า สเสด็จถึงนครที่ได้ชื่อว่าอุปการะเพราะพระมหาศัตว์สร้างเทียบเคียงปัญจาลนาครคำว่าได้ตรัสอะโวจัความว่าได้ตรัสกะเสนาของพระองค์คำว่าผู้รับใช้เปสิเยได้แก่ผู้ทำการรับใช้ของพระองค์คำว่าได้ตรัสอัชฉภาสิทธะ ความว่าตรัสยิ่งแล้วคือได้ตรัสอย่างรีบร้อนคําว่าชํานาญในศิลป์เป็นอันมากอุถุคุมเพความว่าผู้ดํารงอยู่ในศิลปะเป็นอันมากคือรู้ศิลปะเป็นอนเนกบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงข้อความเหล่านั้นโดยย่อพระศาสดาจินตรัสว่าพระเจ้าจุลณีตรัสกะกองช้ากองมะกองรถ กองราบผู้มีศิลปะธนูผู้ยิงแม่นยิงขนท่ายก็ไม่พลาดผู้ประชุมกันอยู่แล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้มีศิลปะธนูอุปาสนามิได้แก่ผู้ชำนาญในการยิงธนูคำว่าผู้ยิงแม่นกตะหัดเทได้แก่ผู้ยิงแม่ น, ะะ เ, มนเพราะยิงไม่ผิดพลาด บัดนี้พระเจ้าจุลณีเมื่อจะตรัสสั่งให้จับเป็นพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าเจ้าทั้งหลายจงใสช้างพลายมีงามีกําลังต่อเมื่อหกสิบปีจึงเสื่อมกําลังช้างทั้งหลายจงย่ำยีนคนที่พระเจ้าวิเทหราชทรงสร้างไว้ดีแล้วเสีย ลูกสอนหน้าขาวเช่นเขี้ยวงาปลายแหลมคมสามารถแทงกระดูกได้เกลี้ยกล่ำเหล่านี้จงตกลงพร้อมกันต่อเนื่องด้วยกำลังธนูเหล่าโยธารุ่นหนุ่มสวมเกราะถือโล่แกล้กลามีอาวุธประกอบด้วยด้ามอันวิจิตเหล่าช้างใหญ่แล่นมาจงหันหน้าสู้ช้างทั้งหลายหอกทั้งหลายที่ขัดด้วยน้ำมันแล้ว มีแสงเป็นประกายวับวับรุ่งเรืองมีรัสมีมากตั้งอยู่ดุดมีรัสมีตั้งร้อยเมื่อเหล่าโยธาของเรามีกำลังคืออาวุธทรงสังวานคือเปรา ะ, ะและเครื่องประดับต้นแขนไม่ล่าหนีในสงครามเช่นนี้พระเจ้าวิเทหราชจากค้นไปได้ที่ไหนหากจะเป็นเหมือนนกบินไปทางอากาศจากทำได้อย่างไร ก็แต่ละคนถูกคัดเลือกมาทั้งหมด 39,000 พซึ่งเราเที่ยวไปทั่วแผ่นดินไม่เห็นเทียมทันสามารถตัดศีรษะค่าศึกเอามาคนละศีษะได้อันหนึ่งช้างพลายทั้งหลายอันประดับแล้วมีกำลังต่อเมื่อห0สิบปีจึงเสื่อมกำลังเหลาโยธาหนุ่มๆ ม, มีผิวพันธ์ดังทองคำงดงามอยู่บนคอ โยธาทั้งหลายมีเครื่องประดับสีเหลืองนุ่งผ้าสีเหลืองผมผ้าเวียงบ่าสีเหลืองงดงามอยู่บนคอช้างดังเทพปบุตรทั้งหลายในนันทนวันดาบทั้งหลายมีสีดังปลาสลาดัดขัดถูด้วยน้ำมันแสงวัวับอัเลเลโยธาผู้วีรบุรุษทำเสร็จแล้วมีคมเสมอรับอย่างดีวาววับ ดาบทั้งหลายหาสนิมมิได้ทำด้วยเหล็กกล้ามั่นคงอล่าโยธาผู้มีกําลังเชี่ยวชาญในวิธีประหารถือเป็นคู่มือแล้วลาโยธาพูดถึงพร้อมด้วยความงามดังทองคําสวมเสื้อสีแดงกวัดแกวงดาบย่อมงดงามดังสายฟ้าแวบวาบอยู่ในระหว่างก้อนเมฆลาโยธาผู้กล้าหารสมเกราะ สามารถยังทงให้สะบัดในอากาศฉลาดในการใช้ดาบและโล่ถือดาบฝึกมาอย่างชํานาญสามารถจะตัดคอช้างให้ขาดตกลงท่านเป็นผู้อันหมู่ชนเช่นนี้แวดล้อมการนี้ความพ้นภัยของท่านไม่มีเราไม่เห็นราชานุภาพของท่านที่จะเป็นเหตุให้ท่านไปถึงกรุงมิทิลาได้เลย บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีงาทันตีได้แก่มีงาสมบูรณ์คำว่าหน้าขาวเช่นเขี้ยงาวัชชะทันตะมุขาได้แก่มีหัวสอนเช่นกับเหล็กสิวคำว่าเกลี้ยงเกล่ำปะนุณนาได้แก่เกลี้ยงกล่ำแล้วคำว่าตกลงพร้อมกันต่อเนื่อง สมปัตันตุตรีตระความว่าลูกสรเห็นปานนี้เหล่านั้นจงตกลงคือจงมาพร้อมกันแล้วแล้วเล่าเล่าพระเจ้าจุลณีมีพระดำรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงหลังฝนคือลูกสรให้เป็นเหมือนฝนลูกเห็บตกคำว่ารุ่นหนุ่มมานะวาได้แก่ทหารหนุ่มคำว่าสวมเกราะถือโล่ จำมิโนได้แก่ถือโลกคำว่ามีอาวุธประกอบด้วยด้ามอันวิจิตจิตตะทันดายุตาวุธาความว่าติดอาวุธประกอบด้ามงดงามคำว่าแล่นปักขันทิโนได้แก่ผู้แล่นเข้าสงครามคำว่าเหล่าช้างใหญ่มหานาคาความว่า แม้เมื่อช้างใหญ่ทั้งหลายทำโกนจนาตแล่นมาโยธาทั้งหลายก็สามารถที่จะยืนนิ่งจับงาทั้งสองของช้างเหล่านั้นถอนออกเสียได้คำว่ามีรัศมีมากดุดรัศมีตั้งร้อยสตรังสาวะตารกาความว่ามีรัศมีมากราวกับดาวประกายพรึกคำว่ามีกำลังคืออาวุธ อาวุธภละวันตานังได้แก่ประกอบด้วยกำลังอาวุธคำว่าทรงเกราะและเครื่องประดับต้นแขนพุนิกายุรทธารินังความว่าเสื้อเกราะท่านเรียกว่าคุณีผู้ทรงไว้ซึ่งเสื้อเกราะทั้งหลายด้วยซึ่งเครื่องประดับคือสังวานทั้งหลายด้วยหรือผู้ทรงไว้ซึ่งสังวานกล่าวคือเกราะข้อว่า หากจะเป็นเหมือนนกจกทําได้อย่างไรสะเจปักขีวะกาหติความว่าพระเจ้าจุลณีตรัสว่าถ้าจักบินไปได้ทางอากาศเหมือนนกแม้อย่างนั้นก็จักพ้นไปได้อย่างไรข้อว่าสามหมเก้าพันติงสะเมปุริสนาวุโตยะความว่าท่านเรียกบุรุษสามหมเก้าพันว่า สนาวุโตยะดังนี้คำว่าแต่ละคนถูกคัดเลือกมาทั้งหมดสัพเทเจเกเ ก, กนิจจิตาความว่าพระเจ้าจุลนีทรงแสดงว่าโยธาของเราสามารถแย่งอาวุธจากมือคนอื่นๆตัดสีสะปัจจามิตรทั้งหลายได้เป็นโยธาที่คัดเลือกเป็นคนๆอยู่ประจำการ คำว่าเที่ยวไปทั่วแผ่นดินเกวะลังมหิมังเจรังความว่าเที่ยวไปตลอดแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นข้อว่าไม่เห็นเทียมทันเยสังสะมังณปัตสามิความว่าพระเจ้าจุลนีทรงแสดงว่าเราไม่เห็นโยธาเหล่านั้นที่เหมือนโยธาของเราซึ่งมีความสามารถเท่านี้ทองท่านเรียกว่าจารุ ในคำว่าจารุทัศนาความว่ามีวั น, นะดังทองคำว่ามีเครื่องประดับสีเหลืองปีตาลังการาได้แก่มีเครื่องประดับสีเหลืองอารามคำว่านุ่งผ้าสีเหลืองปีตะวะสนาได้แก่นุ่งผ้าเหลืองคำว่าห่มผ้าเฉวียงบ่าสีเหลืองปีตุตรนิวาสนา ได้แก่มีผ้าห่มเหลืองคำว่ามีสีดังปลาสลาดัดปาถิณกวรรณนาได้แก่เช่นกับปลาสลาดัดคำว่าดาบทั้งหลายเนติงสาได้แก่พระขันคำว่าผู้วีระบุรุษนรวีเรหิได้แก่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตผู้มีความเพียรคำว่ารับอย่างดี สุนิศิตาได้แก่รับอย่างดีพงมกริบคำว่าวาวัพเวลาลิโนความว่าโชดช่วงดังดวงอาทิตย์เที่ยงวันคำว่าทำด้วยเหล็กกล้าจิกายะสมยาความว่าทำด้วยเหล็กกล้าที่ให้นกกรเรียนเคี้ยวเจ็ดครั้งถือเอาคำว่าเชี่ยวชาญในวิธีประหาร สุปะหารับปะหาริภิได้แก่โยธามือแม่นคำว่าสวมเสื้อสีแดงโรหิตตะกันจูปัทาริตาความว่าประกอบด้วยเสื้อสีแดงคำว่าสบัดปะวกาได้แก่สามารถสบัดธงในอากาศคำว่าฉลาดในการใช้ดาบและโลภอสิจา ม, มัตสะโกวิเา ได้แก่เฉลียวฉลาดในการใช้ดาบและโล่คำว่าถือดาบพรุ ข, ขหาได้แก่ผู้ถือดาบคำว่าฝึกมาอย่างชำนาญสิกิตราได้แก่ฝึกอย่างเหลือเกินในการถือดาบนั้นคำว่าตัดคอช้างให้ขาดตกลงนาคัขันธิปาติโนความว่า สามารถใช้พระขันตัดคอช้างให้ตกลงคำว่าความพ้นภัยย่อมไม่มีนัตติโมโคความว่าพระเจ้าจุลณีตรัสว่าพ่อเปรตวิเทหะครั้งก่อนท่านรอดพ้นได้ด้วยอนุภาพมโหสถบุตรครหะบดีแต่บัดนี้ท่านไม่มีทางรอดพ้นเลยคำว่าราชานุภาพของท่าน ปภาวันเตความว่าบัดนี้เราไม่เห็นราชาุภาพของท่านที่เป็นเครื่องให้กลับไปกรุงมิถิลาได้วันนี้ท่านเป็นเหมือนปลาเข้าแห่ที่ทอดไว้